วัคที่สองปัญหาที่หนึ่งถามความสืบต่อแห่งธรรมสมเด็จพระเจ้ามิลินบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอได้ตรัสถามปัญหาต่อไปว่าข้าแต่พระนัาเสนผู้ใดเกิดก็เป็นผู้นั้นหรือว่ากลายเป็นผู้อื่นพระเทระถวายพระพรตอบว่าไม่ใช่ผู้นั้นและไม่ใช่ผู้อื่น โยมยังสงสัยขอนิมนอุปมากรขอถวายพระพรมหาบพิษเข้าพระไทยว่าอย่างไรคือมหาบพิษเข้าพระไทยว่าเมื่อมหาบพิษยังเป็นเด็กอ่อนยังนอนหงายอยู่ที่พระอู่นั้นบัดนี้มหาบพิษเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือเด็กอ่อนนั้นอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าคือเด็กอ่อนนั้นเป็นผู้หนึ่งต่างหากมาบัดนี้โยมซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นอีกผู้หนึ่งต่างหากมหาราชะเมื่อเป็นอย่างนั้นมารดาก็จักนับว่าไม่มีบิดาก็จักนับว่าไม่มีอาจารย์ก็จักนับว่าไม่มีผู้มีศีลก็จักนับว่าไม่มีผู้มีศิลปะก็จักนับว่าไม่มี ผู้มีปัญญาก็จักนับว่าไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามารดาของผู้ที่ยังเป็นกา ร, าระอยู่เป็นผู้หนึ่งต่างหากมารดาของผู้เป็นอภุทธคือผู้กลายจากการะอันได้แก่กลายจากน้ำใสๆเล็กๆมาเป็นน้ำคล้ายกับน้ำล้างเนื้อก็ผู้หนึ่งต่างหาก เมื่อผู้นั้นกลายเป็นก้อนเนื้อมารดาก็ผู้หนึ่งต่างหากเมื่อผู้นั้นกลายเป็นแท่งเนื้อมารดาก็เป็นอีกผู้หนึ่งต่างหากเมื่อผู้นั้นยังเล็กอยู่มารดาก็เป็นผู้หนึ่งอีกต่างหากเมื่อผู้นั้นโตขึ้นมารดาก็เป็นอีกผู้หนึ่งต่างหากอย่างนั้นหรือผู้ศึกษาศิลปะ ก็เป็นผู้หนึ่งต่างหากผู้สำเร็จการศึกษาแล้วก็เป็นผู้หนึ่งต่างหากผู้ทำบาปกรรันก็เป็นผู้หนึ่งต่างหากผู้มีมือด้วนเท้าด้วนก็เป็นผู้หนึ่งต่างหากอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นผู้เป็นเจ้าในเมื่อโยมกล่าวอย่างนี้ส่วนพระผู้เป็นเจ้าจะกล่าวว่าอย่างไร ขอถวายพระพรเมื่อก่อนอาตามายังเป็นเด็กอ่อนอยู่บัดนี้ได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อวัยวะทั้งปวงนั้นรวมเข้าเป็นอันเดียวกันเพราะอาศัยกายอันนี้หละขอได้โปรดอุปมาด้วยมหาราชะเปรียบเสมือนว่าบุรุษคนหนึ่งจุดประทีปไว้ประทีปนั้น จะสว่างอยู่ตลอดคืนหรือไม่ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าประทีปนั้นต้องสว่างอยู่ตลอดคืนมหาราชะเปรียวประทีปในายามต้นก็คือเปรียวปร ะ, ประทีปในายามกลางอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าเปรียวปร ะ, ประทีปในายามกลางก็คือเปรียวประทีปในยามปลาย อย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้ามหาราชะเปลวประทีปในยามต้นก็เป็นอย่างหนึ่งเปลวประทีปในยามกลางก็เป็นอย่างหนึ่งเปลวประทีปในยามปลายก็เป็นอย่างหนึ่งอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นผู้เป็นเจ้าคือเปลวประทีปนั้นได้สว่างอยู่ตลอดคืนก็เพราะอาศัยประทีปดวงเดียวกันนั่นแหละ ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษคือธรรมสัน ต, ติความสืบต่อแห่งธรรมย่มอมสืบต่อกันเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับย่อมติดต่อกันไม่ก่อนไม่หลังเพราะฉะนั้นจะว่าผู้นั้นก็ไม่ใช่จะว่าผู้อื่นก็ไม่ใช่ย่อมถึงซึ่งการจัดเข้าในวิญญาณดวงหลัง ขอถวายพระพรขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกมหาราชะในเวลาที่คนทั้งหลายรีดนมนมสดก็จะกลายเป็นนมส้มเปลี่ยนจากนมส้มก็กลายเป็นนมข้นเมื่อเปลี่ยนจากนมข้นก็กลายเป็นเปลียงผู้ใดกล่าวว่านมสดนั่นแหละคือนมส้มนมส้มนั่นแหละคือนมข้น นมข้นนั่นแหละคือเปลียงจะว่าผู้นั้นกล่าวถูกต้องดีหรืออย่างไรไม่ถูกพระผู้เป็นเจ้าคือเปลียงนั้นก็อาศัยนมสดเดิมนั่นแหละข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษ ธ, ธรรมสัน ต, ติคือความสืบต่อแห่งธรรมก็ย่อมสืบต่อกันไปอย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งดับสืบต่อกันไปไม่ก่อน ไม่หลังเพราะฉะนั้นจะว่าผู้นั้นก็ไม่ใช่จะว่าผู้อื่นก็ไม่ใช่ว่าได้แต่เพียงว่าถึงซึ่งการส่งเคราะห์เข้าในวิญญาณดวงหลังเท่านั้นขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ไขนี้สมควรแล้วสรุปความปัญหานี้พระเจ้ามิลินเข้าใจว่าคนที่เกิดมาแล้วจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ ท่านเข้าใจว่าเป็นคนละคนกันพระนาคเษนจึงชี้แจงว่าความจริงก็เป็นคนเดียวกันแต่ที่ท่านตอบว่าจะเป็นผู้นั้นก็ไม่ใช่จะเป็นผู้อื่นก็ไม่ใช่นั้นก็เพราะอาศยัยสัน ต, ติความสืบต่อกันเปรียบเหมือนเปลวไฟและนมสดที่เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนไปแล้วจะว่าเป็นของเดิมก็ไม่ได้ จะว่าเป็นของอื่นก็ไม่ได้แต่ต้องอาศัยความสืบต่อกันไปเหมือนกับร่างกายที่เกิดมาก็อาศัยอวัยวะเดิมแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นมาจนกว่าจะแก่เท่าไปก็ชื่อว่าเป็นบุคคลเดียวกันนั่นเอง